พระเป็นผู้รับที่ว่าทายกและปฏิคาหกทายกเนี่ยคือผู้ให้ปฏิคาหกคือผู้รับในขณะนั้นถ้าถามว่าผู้ให้ได้อะไรตอบแทนบ้างก็เห็นมีกันอยู่ก็เพียงยะถาสักพีและโยมก็ปรวดน้ำเท่านั้นเองเนี่ยที่ได้ได้อะไรได้พรราสันให้พร บางโยมยังไปทวงอีกบอกฉันยังไม่ได้พรเลยยังไม่ได้รับพรเลยยังไม่กลับยังไม่ได้รับพรต้องรับพรเสีก่อนถึงจะได้กลับแสดงว่าโยมยังมีความรู้สึกว่าเมื่อถวายแล้วพระยังไม่ให้พรเนี่ยตัวเองยังไม่ได้รับต่อเมื่อได้พระให้พร่ะจึงจะเรียกว่าได้รับแล้วคือได้รับพรถ้าเราคิดไปเพียงว่าการให้คือการให้พร หรือศาสนาที่ให้ประโยชน์แก่เราคือการให้พรก็เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะและถ้าหากว่าความคิดเช่นนี้มีมากคนส่วนมากก็จะกลายเป็นคนมักง่ายคิดจะเอาอะไรก็อยากจะเอาแบบง่ายๆคือเอาอย่างสบายๆจะสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็อยากจะได้อย่างสบายๆชนิดที่ตัวเองไม่ต้องทำไม่ต้องละบากอะไร บางทีก็ใช้ความฉลาดโ ก, ง, กงขขงตนเองสักนิดหนึ่งไปโกงเอาความดีของคนอื่นเข้าบ้างไปปร้นความดีของเขามาสะบ้างเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นหรือบางทีก็ไปเหยียบย่ำความดีของคนอื่นเอาความดีของตัวเองไปทับถมคนอื่นเขาให้เสียหายเพื่อให้ตัวเองดีบ้างความรู้สึกอันนี้ก็จะเกิดขึ้นแก่คนส่วนมากในสังคมว่าเขาสร้างความดีในลักษณะแบบคนมักง่าย หรือสร้างอะไรก็ตามคิดว่าจะเอามาแบบง่ายๆจะไม่ยอมทุกข์ยากไม่ยอมลาบากถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องการให้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงพระให้พรเท่านั้นแต่ว่าการให้เนี่ยได้สำเร็จแล้วในขณะที่ท่านทั้งหลายไปเสียสละการเสียสละหรือการไปบริจาคทานนั้นก็คือการทำประโยชน์ให้แก่ตัวเราเอง ไม่ใช่ไปเสียผลประโยชน์เราได้ประโยชน์แล้วเมื่อเราได้ตั้งจิตคิดเสียสละประโยชน์ที่เราได้นั่นคืออะไรเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นทางนมามธรรมซึ่งใครๆก็มองกันไม่เห็นแต่ว่าเราเองผู้ทาเราเห็นเราจะรู้สึกว่าพอเราได้ทาบุญไปแล้วเรามีความสุขและไม่ใช่เกิดความสุขเพียงครั้งเดียวครั้งต่อๆไปท่านนึกถึงบุญที่ท่านทำครั้งนั้นเมื่อใด ท่านจะมีความสุขทันทีเมื่อนั้นจะไม่เกิดความทุกข์ความหมองหมองจะเกิดความสุขทุกครั้งที่เรานึกถึงก็แสดงว่าเราทำเพียงครั้งเดียวแต่เราได้ประโยชน์ตั้งหลายครั้งใครเป็นฝ่ายได้และใครเป็นฝ่ายเสียเราเองต่างหากที่เป็นฝ่ายได้และก็ไม่ใช่ได้ครั้งเดียวได้ตั้งหลายครั้งเหมือนอย่า ง, างท่านบอกว่าคนทาบุญเพียงบาทเดียว แล้วก็อธิษฐานไปพระนิพพานหรือทำบุญเพียงบาทเดียวแต่อธิษฐานขึ้นสวรรค์ตั้งเจ็ดชั้นอย่างเนี้ยจะมิเป็นการลงทุนเพื่อหวังผลกำไรเกินควรไปหรืออตมาเคยตอบว่าเรื่องค่าของเงินในโลกมนุษย์นี้จะไปเทียบกับคุณธรรมทางจิตนั้นไม่ได้ผู้ที่ทำเช่นนั้น ไม่ใช่หวังผลกำไรเกินควรและก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่สาเร็จสวรรค์ถึงเจดชั้นเขาจะขึ้นสวรรค์ตั้งห้าร้อชาติไปซ้าไปทำบุญเพียงบาทเดียวได้ขึ้นสวรรค์ห้าอชาติได้อาจจะถึงพันชาติอาจจะถึงหมื่นชาติจากการทำความดีเพียงนิดเดียวเป็นไปได้และไม่ใช่หวังผลกำไรเกินควรจริงค่าของเงินเนี่ย พูดถึงบาทหนึ่งพูดถึงล้านหนึ่งพูดถึงร้อยล้านพันล้านคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของเงินก็อาจจะคิดว่าแม้เงินนี่มีค่ามากเหลือเกินแต่ถ้าท่านทั้งหลายศึกษาถึงเรื่องของเงินผู้ที่เคยศึกษาเรื่องเศรษฐศาสตร์การเงินก็จะรู้ว่าเงินคืออะไรและก็จะเห็นว่าเงินไม่ใช่ตัวผลที่สมบูรณ์เป็นแต่เพียงมรรคเท่านั้นเอง มันอาจจะเป็นแบงก์กงเ็กเมื่อไรก็ได้เงินในวันนี้ล้านบาทในวันนี้ของเราอาจจะเป็นล้านกีบในวันหน้าก็ได้ใครจะไปรู้ไม่แน่นอนเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นเรื่องสมมติเป็นเพียงตัวมรคไม่ใช่ตัวผลเพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าคนเนี้ทาบุญเพียงนิดเดียวแหมบาทหนึ่งอธิษฐานสวรรค์ตั้งเจ็ดชั้นท่านทั้งหลายอย่าไปตีราคาน้าใจเพียงแค่เงินหนึ่งบาท แต่เราจะต้องคิดถึงน้ำใจของคนทําบุญเพียงหนึ่งบาทว่าจิตใจของเขานะ่ะมันสูงกว่าราคาเงินหนึ่งบาทตั้งแยะอาจจะสูงกว่าคนทําบุญตั้งสิบล้านก็ได้คนทําบุญบาทเดียวเนี่ยแต่คุณค่าทางใจอาจจะสูงกว่าคนทําบุญตั้งสิบล้านเพราะว่าเรื่องของคุณค่าทางจิตนั้นตีเป็นราคาเงินทองกันไม่ได้เราจะคิดเปรียบเทียบเป็นเงินเป็นทองเป็นอัตราเท่านั้นอัตราเท่านี้ไม่ได้ เพราะว่าเป็นเรื่องของนามธรรมและเป็นความสุขชนิดที่แม้แต่เงินตั้งพันล้านก็อาจจะซื้อไม่ได้แต่คนคนนั้นเขามีความสุขได้จากการนึกถึงเงินเพียงหนึ่งบาทแต่คนมีเงินตั้งร้อยล้านนึกถึงเงินร้อยล้านที่ใดไม่เห็นมีความสุขสักทีก็มีแต่คนคนนั้นเขานึกถึงเงินบาทที่เขาทำบุญครั้งใดจิตใจเขาผ่องใสเป็นสุขแล้วคนมีเงินตั้งร้อยล้านไปซื้อความสุขได้หรือไม่ซื้อความสุขไม่ได้ อาจจะซื้ออย่างอื่นได้แต่ความสุขทางใจซื้อไม่ได้ความสุขทางใจไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องซื้อกันด้วยเงินแต่จะต้องเป็นเรื่องของการกระทาการเสียสละซึ่งไม่เกี่ยวกับราคาของเงินเลยแม้จะไม่ทำถึงร้อยล้านทำเพียงสลึงเดียวก็ไอสลึงเดียวนั้นอาจจะมีค่ากว่าเงินตั้งร้อยล้านที่ไม่ได้ทาอะไรเลยเหมือนคนจนมีเงินบาทหนึ่ง ใช้เงินบาทหนึ่งทำบุญกับคนมีเงินร้อยล้านบาทไม่ได้ใช้เงินร้อยล้านบาททำบุญเลยใครจะได้ประโยชน์มากกว่ากันในชีวิตปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าคนใช้เงินบาทหนึ่งทำบุญนั่นแหละได้ประโยชน์มากกว่าแล้วเขาก็จะมีความสุขมีความสุขจากการคิดถึงเงินหนึ่งบาทนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องคุณค่าทางจิตนั้น เราจะไปเปรียบเทียบกับทางวัตถุนั้นนะ่ะไม่ได้เพราะว่าคุณค่าของนามธรรมานั้นสูงกว่าวัตถุธรรมมากมายเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่คิดจะทำบุญที่จะประกอบคุณงามความดีอย่าละอายว่าเราทำน้อยมีน้อยเราทำนิดหน่อยอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าคิดค่าของเงินแต่ให้เราคิดถึงค่าน้ำใจและให้คิดถึงประโยชน์ว่าเราได้ทาความดีแม้นิดเดียวก็ควรจะทา และถึงแม้ท่านจะอธิษฐานขึ้นสวรรค์ตั้งเจ็ดชั้นก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดทั้งในด้านศิลธรรมไม่ผิดอะไรทั้งหมดเรามีสิทธิอธิษฐานได้ทั้งสิน้นใครจะบอกว่าคากรารเกินควรก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าความจริงไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่เงินบาทเดียวนั้นแหละได้เกิดขึ้นจากจิตใจที่เสียสละจะส่งผลให้เราขึ้นสวรรค์ตั้งห้าร้อยชาติขึ้นได้แล้วก็มีประโยชน์มากอย่าไปคิดว่าแม้เรา เบียน้อยหอยน้อยจะทำอะไรสักทีก็ลำบากขอให้ทำมีน้อยเราทำน้อยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำมากๆเรามีมากเราก็ทำมากแต่ก็ขอให้ทำด้วยเจตนาที่เป็นกุศลจริงๆเราจะได้กุศลอันนั้นอ่ะโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเคยมีคนถามปัญหาว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยให้อะไรแก่สังคมเขาบ้าง คือบางคนํำคาญเต็มทีอาตมาก็เห็นใจว่ามันน่าํำคาญที่ํำคาญเนี่ยคือบางทีก็ํำคาญหูบางทีก็ํำคาญตาบอกเออผมไปวัดต่างๆไม่เห็นมีอะไรให้เลยไปวัดนู้นก็เงียบเงาเห็นมีวัดนู้นดีหน่อยนั่งให้หวยให้เบอร์อยู่องค์นี้ให้น้ามนอยู่องค์นี้กาลังแจกฟ้าเครื่องอยู่แต่แจกก็เอาเงินนี่ ไม่เห็นว่าพุทธศาสนาจะให้อะไรแกสังคมเนี่ยถามกันดือ้ๆอๆยางไม่เกรงใจอาตมาก็บอกว่าเราต้องคิดให้ลึกซึ้งว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยให้อะไรแกเราบ้างอย่ามองในด้านวัตถุ <c oughs> ที่เราได้ให้ให้กันพระพุทธศาสนาเนี่ยให้อะไรหลายๆอย่างแก่เราซึ่งบางอย่างเนี่ยเรามองไม่เห็นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราพอที่จะ หยิบยกเอาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมต่างๆในสังคมของคนไทยมาเป็นเครื่องพิสูจน์และประเมินผลได้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยให้อะไรแกเราบ้างทาง่ทานทั้งหลายพิจารณาถึงประเทศชาติของเราก็แล้วกันว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยให้อะไรแกประเทศชาติบ้างประเทศเราเนี่ยคุยได้ว่าเราดำรงความเป็นเอกราช และเราอยู่กันด้วยความสุขสงบมากที่สุดในโลกปัจจุบันนี้เอากันในโลกนะไม่จ้องไม่ต้องภาพพื้นเอเชียหรือในแหลมอินโดจีนละเอากันในโลกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยสงบสุขที่สุดในโลกแล้วถ้าหากว่าเรามองดูทั่วไปความสงบสุขเช่นนี้เกิดมาจากอะไรทำไมคนไทยจึงอยู่กันอย่างสงบสุขมีความสมัคพร้อมเพรียงกัน ถึงคราวขับขันขึ้นมาเราก็พร้อมใจกันสามัคคีกันยินดีจะเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วน ร, รวมมาอยู่ตลอดเวลาผลเหล่านี้ได้มาจากอะไรได้มาจากศาสนาทั้งนั้นและยิ่งเราได้คิดถึงในอดีตศึกษาในเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยแล้วเราจะพบถึงรัฐบุรุษหลายท่าน ที่ทำประโยชน์แก่ชาติในอดีตมาเป็นผู้ที่ได้อะไรหลายๆอย่างไปจากพระพุทธศาสนาและท่านเหล่านั้นได้ทำประโยชน์แก่ประเทศ ช, ชาติมากมายนึกย้อนไปตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยไล่ลงมาถึงอยุธยากรุงธนบุรีมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์เราก็จะพบว่าลหลายท่านที่ทำประโยชน์ให้แก่ชาติ ให้แก่พระพุทธศาสนานี้ได้รับของดีไปจากพระพุทธศาสนาเป็นส่วนมากอย่างมหาราชบางท่านเราเลือกเป็นเฉพาะที่ดีๆตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยลหลายๆท่านที่ทำประโยชน์ให้แก่ชาติและศาสนามากมายล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรมจากพุทธศาสนาทั้งนั้นจากวัดทั้งนั้น แล้วก็ท่านเหล่านี้ก็ได้ประโยชน์อะไรดีๆจากศาสนาหลายๆอย่างไปสามารถที่จะทําทประโยชน์ได้เนี่ยตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมาอย่างทั้นเรศวนมหาราชท่านได้อะไรหลายๆอย่างจากศาสนาไปบริหารประเทศมากมายและเราจะทราบได้จากประวัติศาสตร์ว่ามหาราชพระองค์นี้ท่านทําประโยชน์จริงๆ เป็นนักรบจริงๆยังไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์เลยว่าใครเป็นชายาของท่านเป็นมเหสีของท่านไม่มีรบตลอดเวลาเนี่ยเป็นมหาราชแล้วก็อีกหลายท่านที่ทำประโยชน์อย่างพระเจ้าตากสินมหาราชถ้าไม่ได้ท่านเบืองไทยก็เป็นอะไรก็ยังไม่รู้แต่เนี่ยเพราะท่านซึ่งก็อบรมจากวัดทั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุราโลกท่านก็อบรมจากวัดที่ทําประโยชน์ให้แก่ชาติและก็ศาสนามาถึงปัจจุบันนี้มาจากวัดทั้งนั้นและก็อีกหลายๆพระองค์ที่เราศึกษาดูแล้วว่า อ, อ๋อท่านราวเนี่ยได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาทั้งนั้นแล้วก็ได้ทําประโยชน์อะไรมากมายหลายอย่างฉะนั้นถ้าเราจะถามว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยให้อะไรแก่ชาติบ้างก็ภาณนาไม่จบไม่สิน้นให้หลายอย่าง ปัจจุบันนี้ถ้ามองในด้านของสังคมนะว่าพระพุทธศาสนาได้ให้อะไรแก่สังคมบ้างก็ให้อะไรอีกหลายๆอย่างเหมือนกันแก่สังคมถึงแม้ว่าจะให้อย่างชนิดที่ไม่เต็มที่นัดแต่ก็ได้ให้หลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์ที่ไม่มีประโยชน์นะก็มีแต่ว่าเป็นส่วนน้อยที่ให้ความงมงายไป ที่ให้ในสิ่งที่เป็นอบายยมุกไปเช่นอย่างนั่งรับตาให้หวยให้เบอร์อย่างไรพวกนี้ให้อบายยมุกที่ให้สิ่งต่างๆที่ไม่เกิดสติปัญญานั้นเรียกว่าให้ความโง่เขลาซึ่งก็มีเป็นส่วนน้อยแต่ส่วนมากนั้นให้แสงสว่างให้สติปัญญาแล้วก็ให้คติในเรื่องการที่เราจะใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตเนี่ยมากมายหลายอย่าง พระพุทธศาสนายังอยู่ในฐานะเป็นผู้ให้อยู่ไม่ใช่ผู้รับจริงอยู่แม้จะรับเป็นวัตถุเงินทองแต่ก็ได้ให้สิ่งที่เป็นคุณค่าแก่ชีวิตและจิตใจนั้นมากมายให้แสงสว่างในทางปัญญาเนี่ยมากมายซึ่งก็เกิดมาจากพระพุทธศาสนาเป็นผู้ให้ทั้งสิ้นในปัจจุบันนี้เราก็ยังอยู่ในฐานะเป็นผู้ให้อยู่ไม่ใช่รับรับนรับแต่ก็ไม่ใช่รับเปล่าๆรับแล้วก็ให้ไม่ใช่รับมาแล้วก็มาเก็บเฉย รับแล้วก็ให้กลับคืนไปทั้งผู้ที่ให้นั้นก็ได้รับแล้วตั้งแต่ตัวเองให้ตั้งแต่เราตั้งใจให้เราก็ได้บุญเป็นผลตอบแทนแล้วแล้วเราก็ได้ความสุขเป็นผลตอบแทนแล้วตั้งหลายพันครั้งหลายหมื่นครั้งกว่าเราจะตายจากโลกเรานึกถึงการกระทำครั้งใดจิตใจก็เป็นสุขทุกครั้งไปเนี่ยลักษณะดังกลาวนี้แหละเป็นสันทิฏฐิโก คือผู้รู้จะพึงเห็นเองหรือผู้ตรัสรู้จะพึงเห็นเองนี่เราพูดกันเฉพาะในแง่ของโลกีธรรมส่วนในด้านของโลกุตตรธรรมนั้นผู้ที่บรรลุถึงซึ่งมรรคผลนิพพานนั้นย่อมจะทราบเองใครๆทราบไม่ได้ความสุขของพระอริยเจ้าที่เกิดจากสมาบัติต่างๆก็เป็นความสุขที่ท่านรู้เองใครๆรู้ไม่ได้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าความสุขในโลกุตตรธรรมนั้น มีความสุขอย่างไรก็ขอให้ท่านทั้งหลายใช้หลักปฏิบัติดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่พราหมณ์ผู้นี้ว่าในสมัยใดถ้าจิตของเราถูกราคะกรุ่มๆแล้วความนึกคิดหรือจิตที่หมกมุ่นที่จะให้ตนลำบากคนอื่นลำบากหรือทำให้ตนและคนอื่นลำบากทั้งสองทั้งสองคนเช่นนี้กลับความคิดที่เกิดขึ้นในสมัยที่เราได้ทาราคะให้หมดสิ้นไปแล้ว และเราไม่ได้คิดให้ตัวเองลำบากให้คนอื่นลำบากทั้งตนและผู้อื่นต้องลำบากนี้เป็นความรู้สึกทางจิตใจแตกต่างกันอย่างไรทุกท่านย่อมทราบดีหรือเราจะเปรียบเทียบให้ชัดเข้าก็คือในยามที่คิดทำบุญกับในยามที่เราคิดทำบาปยามไหนที่ทำให้เราเป็นสุขและยามไหนที่ทำให้เราเป็นทุกข์เราย่อมทราบได้เป็นอย่างดีทุกคนทราบคนอื่นเขาไม่ทราบหรอก แต่ตัวเราเองนั้นย่อมทราบความรู้สึกนึกคิดเช่นนี้เองนี่แหละคือสันติโกโนัยยะที่หนึ่งส่วนนัยยะที่สองนี้ท่านอธิบายว่าโลกุตรธรรมทั้งเก้าอย่างเป็นธรรมอันบุคคลใดๆย่อมบรรลุแล้วบุคคลนั้นๆนจะละภาวะที่จะพึงความเชื่อถือตามผู้อื่นพึงเห็นโลกุตรธรรมนั้นได้เอง ด้วยปัจเจเวขณะยานเหตุนั้นจึงชื่อว่าสันทิฏฐิกะคือผู้ตรัสรู้จักพึงเห็นเองนี่เป็นคำอาธิบายในวิสุทธิมัตยในยะที่สองที่ว่าโลกุตระธรรมเก้าเนี่ยเป็นบุคคล เ, เป็นเรื่องของธรรมะที่บุคคลใดๆเมื่อบรรุกถึงแล้วบุคคลนั้นนั้นจะละความเชื่อถือ หรือภาวะที่จะพึงเชื่อถือตามผู้อื่นได้หมายความว่าผู้ที่บรรลุถึงโลกุตรธรรมเก้าได้แล้วเนี่ยจะไม่เชื่อถือตามใครไม่เชื่อถือตามใครที่ไม่เชื่อถือตามใครนั่นคือจะมีความรู้ความเชื่อมั่นเป็นของตัวเองแล้วศรัทธาที่เกิดต่อพระพุทธศาสนา น, นั้นก็เป็นศรัทธาประเภทที่ไม่คลอนแคลนแล้วเป็นศรัทธาที่มั่นคงจะไม่เชื่อถือตามคาพูดของใครใ หรือไม่หลงเชื่อในสิ่งที่คนอื่นมาชักจูงให้เชื่อง่ายๆโดยเป็นคําชักจูงที่ผิดๆเช่นหนึง่งผู้ที่บรรลุเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยใครจะมานั่งพูดนั่งพรนาว่าพระพุทธศาสนาไม่ดีอย่างนั้นพระพุทธศาสนาไม่ดีอย่างนี้จะพูดกล่าวร้ายพระพุทธรธรรมพระสงฆ์อย่างไรก็ตามผู้มีศรัทธาอันมั่นคงเช่นนี้แล้วย่อมไม่เชื่อตามเพราะมีความเชื่อมั่นในตนเองอยู่แล้วว่า พัตนาใจนั้นดีอย่างไรเพราะอันนี้เนื่องมาจากผลแห่งการปฏิบัติเขาได้ปฏิบัติธรรมะและได้รู้รสแห่งธรรมะแล้วจึงทราบดีว่าการปฏิบัติธรรมะนั้นได้ผลดีอย่างไรบุคคลผู้นี้แหละคือผู้ที่ไม่ต้องเชื่อถือตามใครเป็นผู้มีความเห็นเป็นของตนตนเองแต่เป็นความเห็นที่ถูกแล้วก็ไม่ใช่อยยึดมั่นในความเห็นของตนแต่เป็นผู้ที่ไม่ต้องเชื่อถือตามคนอื่น ใครจะว่าอย่างไรก็ไม่เชื่อถือตามแต่เป็นผู้ที่เห็นผู้ที่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์รู้เห็นในธรรมะอย่างถูกต้องแล้วจึงไม่ไม่เห็นผิดในธรรมะต่อไปเนี่ยแม้แต่เทวดาพูดก็ยังไม่เชื่ออย่าว่าแต่มนุษย์มาพูดให้เชื่อเลยอย่างท่านอนาธบินทิการเศรษฐีนั้นท่านจะเห็นได้ว่าถ้าเศรษฐีผู้นี้ทบุญมากเหลือเกินพระพุทธองค์ยกย่อง ยกย่องท่านอนาณาธบินที่กะเศรษฐีทำบุญจนหมดตัวเป็นเศรษฐีทำบุญจนหมดซื้อแผ่นดินสร้างเชตวันเนี่ยเนื้อที่ก็แพงเหลือเกินต้องเอาทองไปปูในพื้นที่เต็มนั่นคือราคาของที่ที่ซื้อสร้างวัดเชตวันถวายพระพุทธเจา้าเศรษฐีพวกนี้เอาเงินไปปูเลยปูในพื้นที่เลยเต็มหมดเพื่อซื้อที่แปลงนี้ ถวายสร้างวัดให้กับพระพุทธเจ้าไปบาตรทุกวันวันละห้าร้อยรูปอย่างน้อยพระสงค์ไปรับบาตรจนกระทั่งเงินทองเนี่ยหมด <c oughs> ไอ้ที่กู้ไปก็ไม่ส่งดอกเบีย้ยนอกจากไม่ส่งดอกเบีย้ยต้นก็สูญหายไปด้วยขนาดทาบุญนะยังถูกโกงแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองก็ล่อยหลอลงจนถึงที่สุด ต้องต้มข้าวด้วยปลายข้าวปลายข้าวแดงๆเนี่ยไปต้มใส่บาตรแต่ก่อนก็ใส่ข้าวสวยหนักๆข้าต้องใส่ข้าต้มใส่ข้าวต้มกับข้าวก็ไม่มีถึงกับต้องเอาน้ำผักดองกับข้าวต้มเนี่ยใส่บาตรวันที่เอาปลายข้าวต้มกับน้ำผักดองใส่บาตรพระพุทธองค์ตรัสถามพระสงฆ์ที่มารับบาตรบอกวันนี้อนาถบินทิการเศด็จีเอาอะไรใส่บาตร พระท่านก็กราบทูลว่ามีข้าวต้มกับน้ำผักดองพระพุทธองค์ก็ประทับนิ่งเฉยอยู่ท่านเศรษฐีเอาเข้าวต้มน้ำผักดองเใส่บาตรคนข้างนอกอะลูกหลานอะไรก็ไม่ยินดีด้วยลูกหลานก็พูดกระแนกกระแนห์ทำบุญอย่างเนี้ยทำให้ร่มจมทำด้วความงมงายทำด้วความบ้าคลั่ง เงินทองหมดแน่นอกจากลูกหลานจะว่าแล้วเทวดายัางว่าในนั้นบอกว่าเทวดาอาศัยอยู่ที่ซุ้มประตูหน้าบ้านท่านอนาธิบินทกาเศษฐีมาต่อว่าบอกอ่ยท่านเศรษฐีทำบุญอย่างเนี้ยเท่าไร่ก็หมดไม่มีประโยชน์อะไรเลยขอร้องอย่าทำเลยบุญเนะนี่ยขนาดเทวดามาพูดนะท่านก็นยังไม่เชื่อ อย่าว่าแต่มนุษย์พูดและเทวดามาพูดมาขอร้องก็ยังไม่เชื่อยังบอกเอ๊ะเทวดานี่ใช้ไม่ได้ไม่ใช่เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลซะแล้วบอกถ้าท่านห้ามเราทำบุญท่านกับเราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อย่าอยู่เลยที่นี่ไล่เทวดาแม่อาศายอยู่ที่บ้านคือมนุษย์เราเนี่ยมีอํานาจมากกว่าเทวดานะถ้าทำไม่ดีเราไล่ได้ไม่ใช่เทวดาไล่เราแต่เราเนี่ยจะไล่เทวดา อาณาธาบินทีกาเศรษฐีท่านไล่เทวดามาแล้วฉะนั้นบ้านท่านทั้งหลายถ้าหากว่าพระภูมิเจ้าที่อะไรเป็นมิจฉาทิฐิแล้วก็ไล่เลยอย่าให้อยู่ถอนเสาถอนเสาบอกออกไปอยู่ข้างนอกได้อย่าอยู่กับเราเลยท่านเป็นมิจฉาทิฐิเราต้องการคนสมาธิิอยู่ด้วยกันไล่ ไ, ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ต้องไปด้วยนะอยู่ไม่ได้เพราะว่าบ้านนั้เป็นของเรา เราเป็นเจ้าของบ้านนี่แผ่นดินนี่ของเราเราซื้อเรามีโฉนดเทวดามีโฉนดที่ดินที่ไหนอ่ะ <c oughs> ไม่มีเราไร่ได้และเทวดาก็เคยเดือดร้อนมาแล้วในเรื่องนี้พอไร่เข้าไม่มีที่อยู่เดือดร้อนต้องไปเป้าเท้าสักกะเทวราชพระอินต้องบอกโอ้ยท่านต้องไปขอโทษท่านเศรษฐีแล้วละ่ะใครๆจะพูดให้ท่านเศรษฐีคลายความเชื่อถือละทิ้งจากการทํากุศลกรรมนั้นไม่สามารถทําได้ เพราะว่าท่านเศรษฐีนี้บรรลุเป็นโสดาบันบุคคลแล้วศรัทธามั่นคงมากผลสุดท้ายเทวดานั่นเองจะต้องไปตามนี่ตามสินทรัพย์สมบัติของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีสูญหายไปอย่างไรต้องนํำมาไว้ในท้องพระคลังทั้งหมดและจากนั่นมาท่านก็ับรวยมากขึ้นอีกเงินทองไหลามาเทมาเป็นเศรษฐีมากกว่าเก่าและผลสุดท้ายท่านก็ได้รับอนิสงส์ในปัจจุบันชาติทันตาเห็น แต่ก็บางทีกุศลบางอย่างก็ทดรองกันจนแทบจะเลิกสร้างกันก็มีเหมือนกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยตามาก็เห็นโยมหลายๆคนเวลาทํากุศลบางทีกุศลมันทดรองทําก็ทําไปแต่ว่าความเดือดร้อนก็มีไม่ใช่ว่าจะหมดบางคนถึงก็บน่นเออเราก็ทําบุญนะทําไมถึงเราต้องประสบกับความเดือดร้อนอย่างนี้เนี่ยกุศลทดรองดูความมั่นคงว่าเราจะทําจริงหรือไม่จริงแล้วบางคนทําบุญหวังผลก็มี แล้วก็ทำบุญโดยไม่เข้าใจที่ว่าทำบุญในเพื่ออะไรก็มีบุญก็เลยทดลองเอาเข้าให้บางคนทนไม่ไหวก็เลยต้องเลิกละไปแต่บางคนที่เชื่อมันจริงๆแล้วไม่เห็นมีใครจนสักคนคนทำบุญไม่เคยมีจนส่วนมากแล้วก็มักจะเป็นคนที่รวยมีอันจะกินถึงแม้ว่าจะหมดไปบ้างในตอนต้นแต่ก็ ความมั่นคงและศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวนั้นอาจจะเป็นผลสะท้อนมาได้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันนี้หลายหลายท่านที่เคยทำมาก็ได้รับผลอันนี้มาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของความเชื่อมั่นถือมั่นของบุคคลผู้เป็นโสดาบันบุคคลผู้เห็นธรรมะแล้วเนี่ยจึงเป็นบุคคลที่ไม่เชื่อถือตาม คำพูดของใครง่ายๆแม้ว่าผู้นั้นจะกล่าวร้ายต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สเสพยงใดก็ตามผู้ที่มีจิตอบรมธรรมะสูงแล้วย่อมไม่เชื่อตามย่อมเป็นคนเชื่อมั่นในบุญสุลกรรมของตนเองหรือใครจะพูดอะไรให้ใครละทิ้งต่อการสร้างคุณงามความดีแล้วบุคคลผู้ทำความดีอย่างมั่นคงก็ย่อมไม่หวั่นไหวยังคงตั้งใจทำความดีต่อไป เพราะฉะนั้นธรรมอันนี้จึงเป็นสันทิฏฐิโกได้แก่บุคคลผู้ที่บรรลุถึงซึ่งโลกุตตรธรรมเก้าแล้วย่อมมีความเชื่อมั่นในกุศลที่ตนเองปฏิบัติไม่เชื่อถือตามใครๆนี่เป็นสันทิฏฐิโกนัยยะที่สองสันทิฏฐิโกนัยยะที่สามท่านอธิบายว่าความเห็นที่พระเรียเจ้าสันเสริญว่าสันทิฏฐิ สันทิฏฐิเนี่ยแปลาตามศัพท์แล้วว่าความเห็นถูกพระธรรมย่อมชนะกิเลสด้วยสันทิฏฐิด้วยความเห็นที่พระอริยเจ้าสันเสริญเหตุนั้นจึงชื่อว่าสันทิฏฐิกะชนะด้วยความเห็นที่พระอริยเจ้าสันเสริญนี่ท่านอธิบายไว้แต่บพระธรรมนั้นย่อมชนะกิเลสด้วยความเห็นที่พระอริยเจ้าสรเสริญอันสัมปยุตด้วยอริยมรรค อันเป็นเหตุแห่งอริยผลอันเป็นคุณชาติที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เหตุนั้นจึงชื่อว่าสันทิฏฐิกะหมายความว่าธรรมะที่จะชนะกิเลสนี้ชนะกิเลสด้วยสันทิฏฐิกะคือความเห็นถูกหรือด้วยสันทิฏฐิคือความเห็นถู ก, ห ก, เ, หถกเห็นถูกในที่นี้ก็คือเห็นในอริยสัจจะธรรมทั้งสี่เมื่อเห็นถูกแล้วก็ชนะกิเลศได้ ฉะนั้นการเอาชนะความโลภความโกรธความหลงหรือจะเอาชนะกิเลสในใจเรานั้นบางท่านถามว่าจะชนะได้อย่างไรบางทีก็รู้ว่าอันนี้เป็นโทษแต่ว่าเราจะชนะใจเราได้อย่างไรเพราะบางครั้งก็อ่อนปวกเปียกรู้เหมือนกันว่าไม่ดีแต่ว่าใจอดอ่อนไม่ได้อะไรทานองนี้ก็ควรชนะด้วยสันทิทิทําความเห็นของท่านให้ถูกท่านก็ชนะเอง ถ้าความเห็นไม่ถูกแล้วก็เอาชนะไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างสันทิฏฐ hey, <ientes S 2> ิ <Question. S 1> <Flow. S 1> ให้เกิดขึ้นคือสร้างความเห็นถูกให้เกิดขึ้นในใจเราเองแล้วเราก็ชนะกิเลสด้วยตัวเราเองเพราะธรรมะชนะกิเลสด้วยสันทิฏฐินี่ท่านอธิบายไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างสันทิฏฐิขึ้นในใจเราเมื่อเรามีสันทิฏฐิเมื่อไรเราก็ชนะกิเลสได้หลายหลายอย่างเราชนะความโลภได้ชนะความโกรธได้ชนะความหลงได้ ชนะความริษยาพยาบาทต่างๆเราชนะได้เพราะเรามีสันทิฏฐิจึงต้องสร้างความเห็นถูกให้เกิดขึ้นในตัวเราเองจะหาวิธีให้คนณน้นคนนี้มาแก้ปัญหาให้เหมือนอย่างเราแก้ปัญหาในคอรัมสังคมนะ่ะไม่ได้แล้วต้องแก้ด้วยตัวเองคือสันทิฏฐิถ้าทำเลยสันทิฏฐิขึ้นมาแล้วเราแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นด้วยตัวเราเองได้ นี่เป็นสันทิปติโกโนัยยะที่สามสันทิปติโกโนัยยะที่สี่ท่านอธิบายว่าทิปถินั่นแหละคือสันทิปถิความว่าการเห็นพระอริยมรรคย่อมควรซึ่งการเห็นเหตุนั้นจึงเรียกว่าสันทิปติกะที่ว่าพระอริยมรรคนั้นย่อมควรแก่การเห็นนี้ท่านหมายถึงว่า พระอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดเป็นมรรคที่ควรแก่การเห็นตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากมันตะสัมมาชีวะเป็นต้นไปตามลาดับเป็นอริยมรรคที่ควรเห็นเพราะว่าการเห็นอริยมรรคชิ้นนี้แหละคือสันทิฏฐิเพราะว่าโลกุตรธรรมอันบุคคลใดก็าตาม ที่เห็นและเข้าใจอยู่ด้วยสามารถแห่งการตรัสรู้โดยการอบรมและโดยการทำให้แจ้งแล้วผู้นั้นย่อมยังภัยในวัฏฏะให้กลับเหตุนั้นจึงชื่อว่าสันทิฏฐิกาที่ว่าย่อมยังภัยในวัฏฏะสงสารให้กลับท่านทั้งหลายคงเข้าใจว่าภัยในวัฏฏะสงสารเนี่ยมีอะไรบ้าง ที่เป็นภยัยวัตตะสงสารนะั่คือการเวียนว่ายตายเกิดคือระหว่างที่เราเกิดมาจนกระทั่งถึงตายเนี่ยเราจะต้องประสบภัยอะไรบ้างมีอะไรที่เป็นภัยแก่ชีวิตของเราบ้างเราอย่าไปพิจารณากันถึงเรื่องภัยเล็กๆในน้อย